เราปฏิบัติมา 3-4 วันแล้วรเป็นยังไงวันนี้ไม่เทส น, นะถามนี่อะไรคะยังง่วงอยู่เลยค่ ะ, ะ <c oughs> วันแรกกับวันนี้อันไหนง่วงมากกว่ากัน อ๋อมากไหมไม่มากเทไหรก็เดินเอาเดินก็ไม่นั่งทำง่วงก็ไม่นั่งก็ไม่เป็นรเลยธรรมดาง่วงอากาศมันก็ซึมดีอากาศดีดีง่วงมีง่วงเนะนี่มันก็มันก็อย่างว่านะมันเอาแน่นอนไม่ได้นะะ แต่ถ้าใจเราเป็นกลางกับมันเออมันจะง่วงก็ก็รู้สึกถึงความม่วงแต่เราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันอันนี้เราเราเราวางใจแบบนี้นก็ไม่ยอมนั่งท้านั่งเราจะลับก็เดินเอาถ้ารู้ได้ยังก็ง่วงวางครั้งได้ถ้าเราอยู <ừ> ่กับมันสักพักนึงเดี๋ยวมันก็หายง่วงได้นะ ยังไงตันเองไงจะรู้สึกว่าบางทีเวลาคิดเนี่ยอ่ะจใวง่วงอ่ะฮะเวลาเวลาที่เราคิดะนี่ยน่คิดแบบเป็นฉากหนังเลยอ่ะเผอคิดแล้วยาวง่วงอ่ะคือเอ้ส่วนวันนี้ก็เลยดูเอ มั่วส่วนใหญ่จะเป็นมว่วขันตอนที่กำลังกำลังกาลังคิดอนะี่ยตั้งใจเห็นจอยเห็นเรื่องราวอ่ะมันเป็นฉากหนังกายไปอยูแบบเือะไปแล้วอ๋อเรคงองคิดต่อแล้วก็วง่วงแต่คนคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเขาคิด็จะไม่ค่อยง่วงนะคครัออ้งเนี้ยไม่เคยเลยค่ะแล้วมกาคิดแล้วง่วงสงใช้พลังงานเยอะตอนคิดมันตื่นเต้นเกินไปเลยเหนื่อยอะไง ก็เลย้ว่าตอนไหนที่อนไหนที่ง่วการว่าช่วงที่มันคิดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคิดแต่มันเหมือนเป็นหนัง่ะมันเหมือนมันเหมือนมีซีนเลยะมีฉากแล้วมีมีคนมีอะไรอย่างเงี้ยมีตัวละครคือคนพวกทุกคนนี่นอาจจะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้หรือวก็คิดคิดไปเพราะมันมันอาจจะมมันอาจจะคล้ายๆตอนเวลาเรานอนดับมั้งแต่ก็มันฝัน ถ้าวันไหนฝันมากหรือฝันเรื่องราวผาดโผนหน่อนยตื่นขึ้นมาก็งัวงเงียนะตื่นขึ้นมาไม่ค่อยสดชื่นตอ น, ตอนเช้ามึนง่วงอะเพราะว่าตอนเช้าลงลองทำอะไที่พระจารย์พระาจารตุ้มบอกที่ลองล ง, ลงตั้งาจากที่สามเลยก็เลยสาาจะไม่จะเดินตลอดจะถึงเวลา อาจจะเป็นเื่อตอนเช้าอะอะไรใช้พลักกงงานเยอะถ้าตอนบานอ่ายไี่รอดตอนบ่ายโอ้ยไม่ไลเป็นต่อไปใช่มะอะไรกับการที่ทำในห้องจริงๆทาทําข้าง น, นอกอาจจะดีกว่าเดี๋ยวจะไปห้องห้องเอาไว้เป็นที่นอนตอนสุดท้ายก็พอลออะ น, นอกจาก นอกจากฝนตกแบบนี้เนอะถ้าฝนตกก็ใช้ซาดาแค่อะไรก็ดีพอาะบทีความง่วงเนี่ยบาทีก็บรรยากาศเนอะบรรยากาศปิดๆบรรยากาศแบบรุ้งคึมฝนจะตกแล้วไม่ตกแล้วสาเยเย็นสบายมันจะชวนมันจะชวนให้เราม่งวงได้ง่ายบางทีเราก็ต้องหรือบางทีอิทธิบทถ้ามัน มันนิ่งเกินไปสม่ำเสมอเกินไปบางทีก็ปวนง่วงง่ายบางทีก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนิยาบทบ้างเปลี่ยนจังหวะบที่ก็ต้องเปลี่ยนจังหวะนะยกยกจังหวัดเดิมๆนานเกินไปก็บางทีก็ต้องเปลี่ยนแบบบางทีก็ทำอะไรแบบเปลี่ยนทาา่าเปลี่ยนลมหายใจบ้างก็ได้ตั้งใจหายใจอยู่นะพอ่วน ที่คันตาใช่เราไหม ก, ก็ไม่หายก็ต้องลองวิธีนี้ดูถ้าอยากเป็นก็เปอืมมียาใ่จ<ร>มียาโล ก, กเราได้อืมไม่ในหลักก็เป็นเหมือนเครื่องทดสอบดูดูความบางทีเวทนาของกายนั้นก็ต่อเนื่อง ดูว่าใจเราลาคานไหมเนะี่ยก็สังเกตถ้าใจเราไม่ลาคาญมันก็เป็นแค่แค่ทุกข์ของกายนะอย่างที่หวงพ่อเทียนเราบอกนี้รูปมันทุกข์คือมนะันรูปมันพันรูปมันเจ็บมันส่วนนี่คือรูปมันทุกข์นะแต่ใจใจเราถ้าเราใจเราไปหลงด้วยใจเราก็จะทุกข์ไปด้วยเนะี่ยก็คือนีคอ่คือเรื่องของรูปเป็นเวทนาของรูปนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็เป็นเวทนา ขงนาำด้วยือทุกใจแล้วก็เป็นตัวทดสอบด้วยก็ดีนะดีบางทีก็ซ้อมไว้ตอนบางครั้งเราอาจจะต้องเจ็บหนักกว่านี้หรือว่ามีอะไรที่มันหรือตอนที่เราใกล้จะตายเนะี่ยมันบางครั้งเราก็เลือกไม่ได้นะจะตายด้วยโครคไัยใกล้เจ็บรุนแรงหรือว่าตายแบบไม่เจ็บมากเราก็เลือกไม่ได้แต่เวทนาพวกนี้เราก็ถือว่าเป็นบทเรียน เอาไว้ซ้อมอย่าไปดำคาญมันก็พออล้แต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะต้องวางใจว่าอย่าไปคิดว่าเราจะปฏิบัติเพื่อจะเอาชนะความทุกข์ทางกายเพราะบางทีมันความทุกข์ทางกายมันมันบางทีมันไม่เนื่องด้วยบางทีมันไม่ได้เนื่องด้วย การปฏิบัติทางใจเ <c oughs> ช่นเราเป็นโรคกระเพาะเราจะปฏิบัติแล้วให้มันหายจากโรคกระเพาะเอ ง, เองมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเราคันตาบางทีก็แน่นอนแต่ถ้าใจเราไม่ไปอยู่กับความคันความทุกข์มันก็น้อยลงแต่อย่าไปคิดว่าอาการคันมันจะหายเพราะว่าเพราะว่าเราเราปฏิบัติอย่างเดียวอ ย, อย่าไปคิดไปตั้งตั้งว่าเอาช น, นะเหมือนสำหับบางคน ปวดมากๆเช่นปวดปวดขาที่ว่าจะนั่งให้หายปวดซึ่งบางครั้งอาจจะได้แต่บางครั้งก็อาจจะปวดมากกว่าเก่าก็ได้ซึ่งมันบางทีความทุกข์ทางกายมันไม่ได้เนื่องด้วยด้วยการวางใจแต่การวางใจก็จะช่วยให้อย่างนั้นเราก็ไม่พิจมกับความทุกข์ตรงนั้นพยายามอย่ายไม่รู้หน้าแต่มามทัศน์ว่บางทีเรื่องของกายก็เป็นเรื่องของกายก็แก้ไขบรรเทาไปแต่เรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ วางใจให้มันถูกตลอดเวลาก็พอแล้วก็แต่เราก็เอาอาศัยเป็นมือใชรท่านเหมือนข้อเป็นเป็นข้อสังเกตล้วก็ได้อ้อนนี้มันคันใจรู้สึกแบบไหนตอนนี้ไม่คันใจรู้สึกแบบไหนบางทีเราก็ยังมีความชอบความไม่ชอบนะดีไม่ไม่คันแล้วบางทีเราเกิดความพอใจก็ได้นะแต่ถ้าสมมุติมันคันอยู่ เราก็เฉยๆกันมาได้อามาวแบบเนี้ยดีกว่าเหมือนกับบางคนเวลาเจ็บปวดมากๆคิดว่าจะนั่งให้มันหายเจ็บให้ปวดพอมันหายเจ็บให้ยปวดจริงเราก็เกิดความหลงพอใจหรือว่าคิดว่าตัวเองเก่งออนั่งสามารถเอาชนะความปวดความเมื่อยได้ซึ่งถามว่ามันก็ดีไหมทําให้กายมันไม่ปวดเมื่อยมันก็ดีของกายแต่บางทีถ้าเราไม่รู้ทันอัตาเรามันจะพองโต ว่าเราเก่งว่าเราดีว่าเราสามารถบังคับได้อันนี้ต้องต้องระวังบางทีเพราะนีนมันจะเป็นตัวที่มามาล่อเราแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่มายถึงว่าถ้าก็ลองให้วางใจให้มันเป็นเป็นการกับอารมณ์ให้มัน ก็ดีใจได้แต่เราจะไปหลงกับความดีใจไหมถ้าไม่หลงกับความดีใจก็ไม่เป็นไรก็ยางคือบางทีเราดีใจแล้วเราก็อยากจะเอออยากให้มันหายเจ็บแบบนี้ตลอดไปแหละไม่อยากเจ็บอีกนะอันนี้คือเราก็ไปยึดความความชอบตรง น, นี้อยู่แต่ถ้าเราเออมื่อกี้มันเจ็บแล้วมันก็หายเจ็บแต่เราก็วางใจใหม่แม้มันจะเจ็บขึ้นอีกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเราเรื้อไม่ทันมันจะรู้สึกว่าไอ้ไม่เจ็บดีกว่าเจ็บเราก็จะอยากให้มันเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเราไม่วางใจเนี้ยบางทีก็มันจะมีแต่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็พอใจไม่พอใจซึ่งมันก็เป็นจิตที่มันยังไม่เป็นไม่เป็นกลางกับอารมณ์แต่ถ้าใจเป็นกลางจริงเจ็บก็ไม่ไม่ไม่ไม่พอใจหายเจ็บก็ไม่ใช่ว่าดีใจ บางทีอาจจะกระเพื่อม น, นิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ากระเพื่อมแล้วเราก็ปล่อยมันไปมันก็มันก็หยุดเองมันก็ไม่ไปหลงไปคิดล่วงหน้าว่าต้องต้องเป็นแบบนี้ต่อหรือว่าต้องไม่เป็นแบบนี้อีกเหมือนน่ะจะมีคำถามเมื่อวันก่อนท่านโรเจร์บว่าถ้าเกิดสมมติว่าเห็นอารมณ์เกิดดับหรือเห็นเกิดดับโดยทั่วไปจะทาให จะช่วยให้ใหใหคลายความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวขังตัวเราใช่ในนี้ยิงเห็นเกิดไม่ทันนะ แ, แต่ดาบมันจะง่ายกว่าอย่างสมมติเราเดินจงกลมว่าเราหมุนตัวเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนทิศเนี่ยมันก็มันก็ออตโอออตโอมันก็ดับแล้วมันก็รู้สึกถึงนการเดินอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คำถามคือหมายถึงว่า เราควรจะพยายามให้ให้ให้แบบเหตุการณ์เกิดไหคะซึ่งมีว่ามันยากกว่ามันมันต้องระวังกับการที่เราสติมันรู้ได้เองว่าสมมติกิเลสมันผุดขึ้นมาเช่นสมมติสมมติความอยากคู่สมมติสมมติเราเป็นคนชอบพูดอืสงสัยผุดความสงสัยผุดขึ้นมาถ้าเราเห็นความสงสัยแล้วความสงสัยดับไปเนะคือเราเห็นแต่บางที เช่นความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยพูดไปแล้วเราค่อยรู้ตัวเองว่าเราเผลอทําตามความสงสัยแล้วมันมันจะต่างกัตนตรงนี้แต่ถามว่าจําเป็นต้องไปพยายามรู้ให้ทันตอนตอนที่มันก่อนที่มันจะผุดขึ้นไหมถ้ารู้ได้ก็รู้แต่แต่ถ้ามันแต่ก็ต้องระวังว่ามบางทีเราจะเผลอไปจ้องดูไปจ้องดูว่าเมื่อไร่กิเลสมันจะเกิดขึ้น เมื่อไรอารมณ์จะเกิดขึ้นถ้าถ้าเป็นการจ้องดูเนี่ยอ่แปดงว่าเราเราก็ไปหลงเพ่งจ้องแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเองแม้แรกๆจะรู้ไม่ทันตอนที่มันเกิดก็ไม่เป็นไรรู้ตอนที่มันมันเป็นแล้วพอรู้ตอนที่มันเป็นแล้วแล้วมันดับไปก็แบบนั้นก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางทีสติเราเร็วเนี่ยบางทีมันแค่แค่ผุดขึ้นมา แวบยังไม่ทันเป็นคําพูดยังไม่เป็นอารมณ์ทัานฝุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเองของมันแบบนี้เห็นทั้งการเกิดเห็นทั้งการดับมาถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตอนที่มันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือบางทีดับไปแล้วค่อยรู้ว่ามันดับคือคิดจบไปแล้วเออค่อยรู้ตัวเองหลงไปคิดเรองนั้นก็มีซึ่งมันก็อยู่ที่คุณภาพของสติ ของของเราในแต่ละขณะทุกข์ข้นกระต่อนนี้ไม่ดีวะในสมมติในสมมติเราเห็นกระตาช่ไะแล้วเราก็เราขา่าวกาอยู่อย่างเช่นเดินจงกรมเนี่ยมันก็กลับมารู้กับการเดินโดยอัตโนมัติโดยจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องพยายามว่าจะต้องกลับมารู้สึกตรงใช่ไหมใช่ก็ใช่มันก็รู้ของมันเองเนะั่นแหละนอกจากบางครั้งอารมณ์มันไม่ดับไงเช่นเรา เราคิดเราคิดอยู่แล้วก็มันอาจจะมาอาจจะออกมาดูตัวว่าเราที่จริงตอนที่เรารู้ว่ามันคิดมันก็รู้สึกตัวแล้วแต่มันแต่บางทีอารมณ์ความคิดตอนนั้นมันแรงมันก็มันก็ไม่ทําให้เราไม่กลับมารู้เช่นเรายกมือเราเดินมันก็อาจจะไม่รู้แล้วก็กลับไปจมูกความคิดใหม่ถ้าแบบนั้นะต้องอาศัยแบบพยายามกลับมาอแต่แต่ก็มัน แต่มันก็ยังเป็นการตั้งใจเข้ามาเจอแต่แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าการที่ที่เราไปอยู่กับความคิดหรืออยู่กับอารมณ์แต่ถ้าเราเห็นมันดับไปเองประมันแปลงว่าตอนนั้นกําลังสติมันมันพอมันพอกับกั บ, ก, บกับอารมณ์ตรงตรงนั้นมันก็ดับไปได้แต่บางทีมันก็เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็หยุดคิด แล้วก็กลับมาคิดใหม่นี <n N ่ก็เป็นธรรมดาก็เสียเวลามันจะนอนไม่ได้กลางคืนน่ะล่ะนอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงๆถ้อยู่บ้านกานอนไม่หลับอย่างนี้นอน ว้่านเนี่ยนอนน้อยมากวันคืนอาะได้สองชน่โงงแต่มนถึงนอนอยู่แต่มันไม่ดับใช่ไหมหรือว่ามันเพิ่งนั่งปฏิบัติไปแต่ไม่ไม่ปฏิบัตินอนเฉยนอนแต่มันไม่ดับกวาันหัวมันไม่ดับไจัหัวบางทีแล้วก็เออแก่ป่านี้ไม่นอนเลยแตจะเป็นอะไบางีนะแต่ก็ได้เฉ เพราะว่ามันจะเรื่องธรรมดามาปฏิบัติธรรมจะนอนไม่หลับเราก็จะตื่นเช้ามากเป็นมาที่ท่ยางที่สงสัยนะค่ะอพระอาจารย์บอกว่าคือตัวเองเนี่ยที่ว่าว่า ม, มันมีแต่ดับที่เห็น น, นี่เรารู้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญาช่อคือพอเรามีสมาิเนี่ยมันก็จะเบา่ า, ายไนปะมันม่จะบบ า, บาแต่ตัวเองเนี่ย มันก็ไม่ได้เบาวมากนะเราจะมันแคมีอยู่ในหัวนะะนี่เพราะมันเวลามันเบาเนี่ยก็ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้เกิดดจากมันเขานี่ต้ไปอยู่อย่างนั้นนะอ่ะยีนี้ว่าเอถ้าเราไปรู้เกิดดับนะรู้วันเราไปคิดซ้อนคิดก็เลยเมืม่อวานที่คิดในใจว่าให้อยู่กับสติเป็นกลับมาสติหรือ ป, ป, ป่ า, า, า อ, อกลับมาสตินะหมายถึงว่าไอ้ A. ไอ้ท de ี a ่เริ like so like kind of like ่งๆนี่มันก็หยุดจอะไรนะมันนิ่งไ่ะไรอ่าแล้วมันนิ่งเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มันต้องดับไปคือคือที่ที่พูดเรื่องการเกิดดับนี้มันก็ไม่ใช่ว่าให้เราพยายามคิดหรือพยายามที่จะไปเข้าหาลับนะมันไม่ใช่แต่พิมพ์มาว่าเขาพูดแต่เหมือนเป็นคล้ายๆว่า พัฒนาการของสติมันมันจะเข้าไปเห็นตรงนั้นแต่แต่สิ่งที่เราภาคปฏิบัติก็คือเราก็อยู่กับสติเนี่ยแหละอยู่กับความรู้ตัวสมมุติถ้าเราจิตมันนิ่งจิตมันติดสมาธิยิ่งจําเป็นต้องกลับมาหาสติเพราะไม่งั้นมันจะมันจะจมกับสมาธิใช่ไหมฮะก็ก็พยายกลับมารู้ตัวทํำทาความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นมันเหมือนย่งว่าผู้ิดจมันมอว่ามันก็ คือเหมือนเวลาเดินเดินเนี่ยมันสมากมันเป็หนักใช่ไมไม่ได้จุดที่มันอยู่อยูดด่แเรารู้ว่ามันกลางลนะควังนิ่งๆทีนี้เท่าที่รู้มาเนี่ยหมายควมันามถึงจุดถ้าเราสมาธิเราไม่แน่จริงเราก็ไม่สามารถจะเข้าปัญญาได้มัน ม, มันก็ไม่ใช่ไม่ต้องสมาธิแน่นแบบแบบนิ่งนานๆนะไม่ใช่แต่แต่ความตั้งมั่นสําคัญกว่ากว่าค ว, วามนิ่ง ความตั้งมั่นคือคือใจเราไหวไปกับอารมณ์มันมันกลับมาได้เร็วกลับมาม่นคงอันนี้ น, นี้สำคัญกว่าการที่แบบไม่คิดนานๆสงบนานๆ น, น, นะแต่จริงใจตั้งมั่นคือใจที่มันแบบแม้จะหลงแต่มันก็กลับมาได้หลงก็กลับมาได้อันนี้สำคัญกว่าการที่แ ค, แค่สงบนิ่งแต่ทีนี่เวลามัน ตั้งมันมันเมืนเหอนราตั้งมั่นในยได้เนี่ยนว่าก็มานั่งคิดอะไรเราต้องมานั่งคิดนานเหมนี้ว่าหคนบอโอ้ยมันมันเกิดเันดับมันมันเปลียนผ่าเนี่ยมันถ้าเราหมอคิดไม่ได้เนี่ยที๋จะไปคิดว่าเออกำลังยกมือขึ้นเออเปลี่ยนท่าแล้วนะเห็นเป็นฉากเป็นหนังทำไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่จําเป็นต้องต้องไปคิดหรือต้องไปทําก็ก็แค่แต่หมออาจจะต้องเพิ่มบางทีจะอะไรนะอาจ ทำให้มันเป็นจังหวะชัดขึ้นไงคือบานทีเราทำเร็วไปมันก็มันก็ปุ๊บๆุๆุไอตัวตัวนี้มันมันจะต่อกันจนทั่งมันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันมากเกินไปแต่ถ้าเรามีหยุดบ้างเนี่ยมันจะเห็นมันเห็นชัดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดแต่ไม่ใช่หยุดนานเกนไปนะมันจะเห็นไยว่าไอตัวรู้เนี่ยมันรู้ทีครั้งมันจะรู้ทีละครั้งจิตมัน มันจะเห็นรูปมันเคลื่อนทีละขณะก็คือการเกิดทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้มันจะเห็นชัดเลยแต่เราไม่พยายามจะให้มันแบบชัดแบบชัดตลอดนะแต่มันช่วยให้เราให้มันไม่ติดความสงบได้เมื้อนั้นมารู้สึกว่าทําแบบนี้มันมันได้บางทีทําเร็วเอาไว้แก้ง่วงเฉยแต่ถ้าทําปกติก็ให้มีเคลื่อนมีหยุดมันจะทําให้เราแบบ มันก็ดูเป็นครั้งไปบางทีทำเร็วมากๆมันมันทีมันมันเพลินเพลินเพลินทำไปเพลินจิตมันติดความเพลินก็มีเหมือนคนที่เขาทำแบบบางคนนะั่นนะบางคนมีสมาธิกับการเล่นโยคะหรือว่าไทเก๊กันเราะอะไรมันเคลื่อนต่อไปเลยมันพอจิตพอร่างกายมันเคลื่อนต่อจิตมันก็ มันก็เคลื่อนไปกับกายที่มันเคลื่อนมันมีสมาธิแต่มันบางทีมันอาจจะจมไปในสมาธิมากเกินไปพอเราทำแบนีน้มันจะทำให้เรารู้เป็นครั้งไม่ไม่ติดในความเพลินอันนี้ยมาว่าสำคัญนะหลักที่หลวงพ่อเทียนท่านว่าแต่แต่ก็อาจไม่ต้องช้าเกินไปมันก็ไม่ต้องหยุดนานเกินไปหยุดแค่นิดนึงตอนที่มราก็เปลี่ยนอืเย เยเปากถักรอยเพราะว่ามันมันเบื่ออยงพอไปใช้คุณเบื่อตอนนี้ก็เลยเก็เป็นเย็กกอยข้นรถป้ไปเย็บปากถักรอยแต่ี่ก็เออนาจะทำให้เราสูงมาได้เพราอวมอหมอเอ้ไม่ไม่ได้โดยปกติอาจจะไม่ได้คงไม่ได้ติดสงบอะไรมากหรอกแต่บางครั้ง แต่บางครั้งที่มันบางทีเราทาไปนานมันมันลงล็อกบ้างมันลงล็อกบ้างมันก็เติมไปแต่แต่ที่สําคัญไอตัวที่ตัวความเบือ่อมาว่าเป็นตัวที่อาจจะเป็นปัญหามากกว่า <c oughs> <c oughs> แต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเราเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นใหลายอย่างแต่เราก็พยายามรู้กับสิ่งที่ทำก็ได้ไม่เป็นไรก็เพื่็อื่นเวลาฟังหรือที่ชอบฟังสูเออา ฟัมพระสูบางนเรว่า ม, มันจะปัญญาปัญญาเอ๊ะท่นมันปัญญาเฉยมันไเยอะอเลยแต่จริงก็คิดเนี่ยว่าเอง็คงมีแล้วด้ปัญญาเนี่ยเบงบอว่าเวลาฟังพระสูตรแหมมันขึ้นถึงนชั้นชั้นชั้นทให้เราสึกเอ๊ะเรามีมั้เนี่ยนั่นจะฟังพระสูตสนุกนะจะเป็นคนเทา่าฟังก็ฟังไปก็ค่ะอย่างไอ้มาปฏิวัติใหม่ๆพบว่าไอ้จิมเป็นปัญหากับตัวเองในตอนแรกเลยคือพอเราอ่าน อย่างของหลวงพ่อเทียนที่ท่านได้ลําดับสภาวะอารมณ์ของท่านน่ะถ้าเราก็เขาพยายามเทียบเคียงกับสภาวะการปฏิบัติของตัเองอมาปรากฏว่าอันนี้ไม่ตัวคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่โดยตัวเองมันเป็นปัญหาเพราะว่าเราคิดปุ๊บแล้วมาถึงเราปฏิบัติไปแล้วก็พยายามเทียบเคียงทำลำดับไปแล้วมันมาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าทําไปด้วยคิดไปด้วยเปรียบเทียบไปด้วยแบบนี้ไม่น่าจะใช่ทางแล้วนะ สนาลังก็เลยต้องแบบพยายามแบบไม่สนใจเลยมันจะมันจะได้ขั้นไหนอะไรอย่างไรวางไปเลยพอวางก็จิตมันมันสบายกว่าคือไม่ต้องจะเป็นต้องวางผัสศูนย์สนุกและแล้วนี่วางผัสศูนย์ดูละคนคือคือหมอเข้าใจแล้วว่าผะสูนยเนี่ยมันเป็นบุคคลแต่ละคนตัองแตกต่างและเข้าใจเพราะนี่ตอนนี้ก็เลยนั่งวางผะสูนย ก็ได้นะที่จริงก็ก็พสูตรบางบางบทมันก็อาจจะตรงกับตรงกับจะดิดเราก็ได้แล้วก็อาจจะได้มันหมาว่าพระสูตรสําคัญสําคัญในหลายบทสําคัญมากซึ่งแต่ก็ฟังไปแบบนั้นอย่าไปคาดหวังว่าจะได้อะไรก็ฟังไว้เก็บเป็นข้อมูลเฉยๆว่าคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นใช่ใช่ใชอะฮฟังไป แต่บางทีแต่มาว่ามันก็เอาไว้เป็นคล้ายๆเพราะถึงจุดหนึ่งจิตมันมันเดินว่ามันเองฮะไม่ต้องกังวลหรอกจิตมันเดินปัญญาของมันเองเดี๋ยวมันแต่จริงตัวที่มันจะช่วยให้จิตมันเดินปัญญาจริงมันก็ต้องให้ผ่านจากจากความที่จิตมันติดกับความสุขความสบายนั่แหละมันไปเห็นมันจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์บ่อย เห็นความคิดเห็นนมบ่อยๆนะจิตมันจะเดินเป็นยาคื อ, เ, อ, อเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดผ่านจากการที่เรารู้สึกกับพวกนี้ไปด้วยนะแต่บางทีแต่ตอนนั้นจิตมันจะเป็นเน้นเน้นการดู น, นมามนามธรรมมากกว่ารู ป, ปธรรมเพราะจิตมันนมามธรรมมันเกิดดักได้ชัดเจนกว่ารู ป, ปธรรมแม้กายจะบอกเคลื่อนหยุดมันก็ชัดแต่มันมันชัดแบบทื่อๆแต่ แต่จิตใจนี่มันมันชัดเจนเลยตอนนี้ปกติตอนนี้มันมันโกรธตอนนี้มันรักตอนนี้มันชังตอนนี้มันปุ้งซ่านมันเห็นชัดเลยซึ่งเห็นตอนนั้นอ่ะมันจิตมันน้อมเอตอนนั้นจิตมันมันจะเปลี่ยนคนของมันเองมาถึงมันค่อยๆเปลี่ยนของมันเองมันต้องให้จิตมันเดินปัญญานก็มันเรื่องแปลกตัวเองมันคิดมาถึงตัวเองจุดีได้ก็ทาเล่นๆมามเออมัน มันแปลเ่าสมมติว่าถ้าเกิดใครมันกระทบอารมณ์มันก็จะหายเลยมันก็แปรแล้วมันหายไอยงแล้วก็ตอนนั้นก็ดีิาเห็นนะคิดว่าเไม่เห็นรูปนนะไม่เห็นมีแรูปนรไหนยไม่เห็นเลยแล้วเอิ่มก็พบมันก็หายเลยก็ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ถ้ามันปฏิบัติแล้วไม่ทุกข์ก็ดีแล้วอันมายังเห็นบางคนปฏิบัติแล้วว่าได้นั้นได้นี่รู้นันนี่แต่พอ เจออะไรกระทบแบบก็ทุกข์ทุกหรือหรือว่ารู้สึกแบบทำไมแบบอ่อนแอแต่เกินในว่าตั้งใจปฏิบัติหรือในว่าได้นั่นนี่แต่บางทีเราก็เห็นเขาอ่อนแอก็มีนะก็แต่ถ้าบางคนดูรู้สึกเหมือนไม่เรื่อยไม่ได้อะไรแต่แต่เขาก็แบบพึ่งตัวเองได้อืมอมาว่าดีนะดีมรู้สึกไม่ได้อะไร เราไม่ปฏิบัติเอาอะไรมไม่ได้อะไร <c oughs> ค น, นก็เห็นนู่นเอ๊ยเราไ็ได้อะไรเลยก็ยังนิสใจแร้ายตัวเองปฏิบัติได้มาเป็นสิ่งดเยังงงอยู่นะไม่ได้อะไรแต่จริง <c oughs> เราปฏิบัติไม่ได้เอาอะไรนจริงนะเราปฏิบัติเพื่อที่จะวางอีกสิ่งที่เราหลงไปเอาทุทกอย่างนั่นแหละเอาเช่นทางโลกนะคนอย่วไปก็เอาวัตถุสิ่งของเป็น เป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่แ บ, บ่งหาความสุขพอทางทำเองบางทีคนก็อยากจะมีสมาธิอยากจะได้ความสุขจะได้ความสงบหรือบางคนก็อยากจะเก่งอยากจะได้ความรู้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจอยากจะเป็นผู้ฉลาดนะนี่มันไอ้คนเนี้ยมันถ้าปฏิบัติเพื่อหวังจะได้นะมันจะติดเหมือนพวกติดวิปัสสนา วิปัสสนูก็ติดในความรู้ในความเก่งของตัวเองมันก็ติดแ้่ก็ออกไม่ได้คล้ายๆเหมือนกับถ้าทางโลกก็เหมือนพวกเรียนมามากอ่านมามากรู้ม า, มากแล้วก็คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งเนหะมือนนั้นตัวเองฉลาดแล้วแต่จริงมันมันก็ยังไปติดในตรงนั้นอยู่ก็ยังไม่ใช่คุณคิดนะว่าตัวเองที่แต่ลไดบบนนเ้เป็นตัวนี้ก็คิดว่าจะบีบ มั น, นยังอูได้ไม่มันคงอ่เป็นนานแล้วนะในขนาดนี้กล ย, ยตัวเองก็ยังไม่รู้อะไรไม่เด็ดไม่อะไรไะแต่บางทีมันท้อตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่มอเกเลอว่าเ <c oughs> ย็บปากก็รอ้อยนิดน้อย <c oughs> น้อยก็ได้มาถึงถึงเย็ไมได้เลยผิดจะามาขายนะ <c oughs> มันก็จริงนะไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรเลย แค่ปฏิบัติเหมือนมาว่าปฏิบัติเหมือนเป็นพุทธบูชาเหมือนปฏิบัติแบบไม่รู้ทาแบบสบายทุกข์พระเจ้าะแต่จริงมันก็ถ้า ป, ปฏิบัติเพื่ออาจจะไม่เอาอะไรในในใ น, านาั้นก็ปฏิบัติแค่ดูทันว่าตอนนี้จิตมันทุกข์ไหมก็วางความทุกข์ในปัจจุบันก็พอแล้วบางคนก็อาจจะคิดถึงแบบนี้ก็กสบายใจ คือหมอคิดว่าหมอพอแล้วเนี่ยค่ะ ม, มีแต่ใครบอเอาไปหน่อยนะ <c oughs> เ้นะ ต, <c oughs> ตัวเองว่าแต่หลานอะอพกดกับวิจาร์เทือนหัวจออวะเทือนสรยาพอแล้วไม่เอาแล้วเอาไปหน่อยนะเอาไปหน่อยไม่เอาแล้วพอแล้วก็ปฏ <c oughs> ิบัติไปปฏิบัตๆเล่นๆนะคิดไปทเล่นๆะเดี๋ยวมันก็มีงานให้ทำด้วยจะทำไมเห็นนะ ปฏิบัติบางคนที่เขาเครียดมากๆล้ปฏิบัติเพราะว่าส่วนใหอยากอยากอยากได้กระแส อ, ะอยากเป็นพระอริยบุคคลอย่างนั้นก็ปิดอบายนะอย่างนีมน้มันก็แล้วความอยากเหล่านี้ยิ่งทำยิ่งเครียดเพราะว่าพอทำด้วยความอยากมั น, ม, นมันเครียดแต่ถ้าแต่ถ้าวางได้เนี่ยมั น, ม, นมันจะ มันจะได้ไม่ได้นี่ก็เป็นมันอยู่ที่เหตุของเราเนอะไม่ใช่อยู่ที่ความอยากอยู่ที่เราทำถูกไม่วางใจถูกไม่แต่บางคนก็บอกไม่ได้อยากจะได้อะไร <c oughs> ไม่อยากได้อะไรเลยก็ปฏิบัตกิก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปคิดแค่ทำปัจจุบันให้มันมีความสบายใจทำแล้วสบายใจทาแล้ว วางอารมณ์ได้มาว่าก็โอเคแล้วทําแล้วกินอิม่มทําแล้วนอนหลับทําแล้วไม่เป็นปัญหาเวลา อ, อ, อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนทํางานนมาว่าก็ประโยชน์ทางโลกก็ได้ <c oughs> เอาแค่ประโยชน์ทางโลกนี่มาว่าก็มีประโยชน์มากแล้วมันจะพ้นทุกขหรือเปล่านี่มาว่ามันก็เป็นปจัจจัยครับหมายถว่าเราคิดเกินไป บัตรกเลื่อนไปดีบางคนก็อยากเก่งมันปฏนบัตรต้นสนองอัตรามัปฏ น, น, น, นบัติแล้วอาจจะดูทรงเป็นทรงภูมิผู้รู้ <c oughs> หรือทรงภูมิเป็นผู้หมดจดสารวมอะไรเนะี่ยบางทีก็บางคนเข้าไปจัิแบบนั้นก็มีแต่บางคนก็อาจจะทุกข์จริงๆนั่นแหละก็อยากจะค้นจากความทุกข์แต่ก็ แต่ก็อยากจะแตใจร้อนเกินไปอยากจะพ้นเร็วๆนี่กลัวว่าจะเองจะตายก่อนกลัวว่ากลัว <c oughs> ว่าจะไม่ได้อะไรพวกท่านวันนี้ก็จะทุกข์ <c oughs> ใช่แต่ปฏิบัติเรื่อยๆก็มันก็ดีนะแต่ก็ต้องระวังอย่าเฉื่อยเกินไปบางค น, เ ป, น, <c oughs> นเป็นอัตโนมัติแล้ว <c oughs> เพราะว่าปั๊บมันก็จะทำเรื่อยๆทำเร่อย มันก็เหมือนอย่างว่าตัวเองไปคิดว่าตอนนี้เพราะว่าสามารถจะคือไม่ได้คิดทำหมายถือว่ากับชีวิตได้ก็ได้แต่ก็อย่างที่แนะนําหมออาจจะบางทีเราอาจจะลองทําบางครั้งทำให้เป็นหยุดเป็นจังหวะบ้างถ้าไหนทําในรูปแบบนะท้านนอกตัวแบบมันก็ทําทําอัตโนมัติของมันนั่นแหละมันจะมันจะเห็น บางทีมันจะเห็นอารมณ์ที่มันขาดเป็นช่วงแต่เราไม่ปัดกเพื่อหวังจะเห็นนั่นะแต่ไอ้คนนี้มันก็จะช่วยมันก็จะช่วยอช่วยให้เราแบบเห็นเห็นการเห็นความคล้ายๆช่องว่างระหว่างระหว่างอารมณ์แต่เราไม่อยากจะเห็นนะแต่มันถ้าเห็นมันนั่นมันจะมันจะชัดเจนขึ้นในในผลของการภาวนาของเรานนัเป็แล้ว ก็มันก็ยังเป็นกัลยาณะผู้ตุโชนอยู่แหละแต่แต่มันแต่สติมันก็คล้ายๆไงมันบ้องใยขึ้นนอกจากเราขายการยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นของเรามันก็ไม่มัน่อยจะพ้นออกไปแต่มันอย่างน้อยการที่เห็นเนี้มันก็จะเห็นแล้วอา รูปมันรูปก็มีการเกิดการดับจิตมันก็จะสะสมความรู้ตรงนี้ไปจิตของคนเรามันโง่้มันห่านน่ะนะการจะให้มันยอมรับอะไรสักอย่างนี้มันมันมันต้องอาใสยเห็นบ่อยๆเหมือนเราถือทิศถีามามากความหลงผิดน่ะบางทีคล้ายๆเหมือนคนดื้อน่ะ มันคนเดือดบอกคําเดียวไม่ไม่เชื่อตอนครั้งเดียวไม่เชื่อมันต้องจิตเหมือนดึงมันจิตนเหมือนดึงจิตมันต้องเข็ดใช่ไหมแต่เราเราจะบางทีเรารู้ว่าเรามันต้องเข็ดเองใช่ไหมคะเห็นที่อาจารย์พูดบางทีไม่ใช่ว่าเราไปบอกมันไม่ใช่อจิตมันห็นเองเราไม่ได้บอกมันหรอกเนี่ยคือคือการปฏิบัติเพราะว่า ถ้าถ้าบอกหรือว่าถ้าแค่มาคิดตอนคิดมันก็เหมือนปัญญาเหมือนบเมื่อเราอ่านหนังสือเล้วเราฟังก็เรารู้สึกเออใช่หรือทำแบบนี้ได้แต่พอพอเราเจอลมจริงมันมันไม่ทันแต่ถ้าปฏิบัติให้จิตมันเป็นจิตเป็นอัตโนมัติน่ะนมันมันจะทันของมันเองมันแบบมันไม่ต้องมากรองด้วยการคิดอีกทีหนึ่ง แต่การได้ฟังไว้ก่อนก็เป็นเหมือนแค่เป็นเป็นอย่างที่พูดเมื่อวานเหมือนเป็นร่องไวเ อ, อ่อนำร่องไว้แต่ถ้าเราไม่ทําเหตุมันก็เหมือนนะมีแต่ร่องน้ํำนะฝนไม่ตกสักทีนก็ไม่มีอะไร <c oughs> คือ <c oughs> การสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนสร้างเหตุเหมือนกับให้ฝนมันตกมาให้ฝนมันตกมาตกลงมางลงร่องคือปัญญาตัตเนะี้แต่ถ้าบางที บางคก็บอกทำไปทาเจตสติไปเรื่อยๆ ก, ก็ได้เหมือนกันนะบางคนก็ทาไปแล้วเขาก็อาจจะจับพัดจับผูเข้าไปถูเองก็ได้แต่ไม่รู้นะตัวเองอาจจะถนัดในการเดินปัญญา <c oughs> ก็จะเป็นเป็นเน้นในแนวตรงนี้มากกว่าแต่บางคนก็อาจจะอาจจะเน้นทาความเพียรหรือบางคนก็อาจจะเน้นใิจิตเป็นสมาธิแล้วค่อย ไปเห็นไอแบบชัดๆแต่มาเองไม่ไม่ไม่เน้นเอาสมาธิมากเอาเน้นเอาแบบดูดูความเกิดดับภายในมากกว่าอาจารย์ท่ามีขําวเวลาที่เขาบอกจิตรวมจิตรวมมันมันจะเป็นลักษณะอย่างไรคะมันก็มีหลายแบบเช่นจิตรวมเพราะสมาธิสมาธิได้ปฐมฌานได้ทุติยฌานอะงแล้วก็ จิตก็รวมลงมาอ่า ก, ก็อันนี้ถ้ารวมแบบเป็นสัมมาสมาธิก็ก็คือได้ได้ได้แบบนั้นแต่บางคนก็ก็แค่บางคนอาจจะรวมแล้วก็ิดแช่ในความสงบก็ก็รวมเหมือนกันนะแต่รวมแล้วแช่นี่ก็ยังไม่ไม่ดีวชวง <c oughs> แล้วแต่คนนะแล้วที่จริงแล้วแต่แม้แต่ตัวเราเองมันก็มันก็แล้วแต่มันแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันบางทีค่ายเรานอนนลับตอนไหนจะตื่นแล้วก็บางทีก็กําหนดไม่ได้นะทีสามทีสี่มันก็ไม่รู้นะบางทีก็ตื่นเที่ยงคืนเพราะปวดฉี้ก็ได้จิตมันบางทีมันก็รวมลงแต่จริงรวมไม่นานหรอกถ้าเราไม่เน้นทําสมาธิมันรวมแค่เดียวแล้วก็ สมมติจิตเรารวมขึ้นมาปวดแข้งปวดขาจิตมันก็คลายออกมาละ <c oughs> แต่จริงเราไม่ได้เน้นจิตรวมแบบแบบนั้นเราเราเรเน้นในสภาวะที่ว่าจิตดูทีละครั้งนี่แหละสำคัญกว่าจิตดูทีละครั้งทีละครั้งแต่บางครั้งจิตมันพอจิตมันรวมบางครั้งมันไปพิจารณาธรรมะของมันเองบางครั้งจิตก็ไปพิจารณาร่างกาย นะบางครั้งบางคนเนี่ยพอมีทุกข์ไปนะหนักๆ น, นะอย่างบางอยาจะมาเองบางทีเคยแบบอาเจียนแบบแพเมารถนั้ะนเะมลลาลรถอะไรๆบางทีบางคืนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับจิตมันก็มันก็ไม่พักของมันมันก็มาพิจารณากายของมันเป็นในสภาวะไตรักของมันเองก็มีซึ่ง แทนที่ในตอนกลางวันเราก็ไม่สบายกลางคืนก็ไม่ได้นอนแต่ตื่นเช้าขึ้นมามันก็ไม่ได้รู้สึกเพลียจิตมันมันได้พักของมันอยู่แล้วมันก็ไปพิจารณาตรงานตรงมันมันก็มันก็เดินของมันแต่บางคืนถ้าไม่ปกติธรรมดามันก็หลับธรรมดาของมันเองก็มีซึ่งเราบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตเองแต่หน้าที่ของเราก็คือว่าอย่าไปกังวลกับมันนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรนอนหลับเออก็ ช่ ม, มันตื่นมาตื่นืนใหม่ค่อยปฏิบัติใหม่แล้เนี่ยก็ก็คือเราจะเห็นว่ามันบักคับไม่ได้แต่อย่างตั ว, ตวเองตอนตอนนย์ตอนบวชใหม่ใหม่ตอนนั้นก็ทําสมาธิเป็นหลักจิตบางครั้งมันก็รวมของมันแต่แต่เราถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่เราก็ยังไปชอบมัน พอนั่งสมาธิใหม่ก็ตั้งเป้าว่าอยากจะรวมแบบนั้นอีก <c oughs> ถ้ารวมได้เราก็รู้สึกว่าเรา <c oughs> เราดีเราเก่งถ้ารวมไม่ได้ก็รู้สึกว่าแย่ yeah. <c oughs> ต่ำกว่ามาตรฐานแบบนอืน <c oughs> <c oughs> ประมาณนะั้นมันแต่ทำแบบนั้นมันเหมือนแค่มันได้กับเสียได้กับไม่ได้ไม่ได้มันรู้สึกว่าดีกับไม่ดีใจซึ่งห ม, มายว่าต่างจากกา ร, ารการจิตแบบหลงพ่เทียน แต่นั้นไม่ใช่ว่าวิธีดูลมหายใจไม่ดีไม่ใช่นะแต่เราทําผิดเองเราทําแล้วมันติดแค่ความสงบเราไม่สามารถเป็นแบบอาณาปานะักสติจริงๆเป็นแค่อาณาเพื่อควบสงบแต่ถ้าคนมีสติจริงก็แค่เห็นและรู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้ถ้าแค่รู้เฉยๆมันมันจะไม่ติดแต่ บางทีเราก็ชอบมันนะอืมถ้าเราไม่ทันมันเราก็จะชอบเพราะมันสบายหรืบางทีมันก็มีนิมิตให้รู้สึกอะไรแปลกจากจากแต่ก่อนบ้างมันก็ทําให้เราติดได้ง่ายแต่สายลังพลาเทเเองนิมิตมันน้อยไม่ค่อยมีมันก็ทําให้มันก็อาจจะไม่ไม่รู้สึกว่าสุขหรือว่าแปลกมากแต่มันก็ มันก็เป็นแบบกลางๆธรรมดาไปบางคนก็รู้สึกว่าไม่เห็นรู้สึกแตกต่างจากชีพประจําวันเท่าไหร่เลยแต่มาว่าถ้าเราวัดผลที่ว่าพอเจออารมณ์พอเจอสิ่งกระทบแล้วเราวางได้เร็วไหมมาวัดผลตัวเองที่ตรงนั้นก็จะดีหรือว่าเราอาจจะดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสติแต่แต่และ ว, วันเออในสมมุติในวันหนึ่งสติเกิดขึ้นบ่อยไหม ในการทำในรูปแบบกด็ดีหรือใช้ยิประจำวันเองกรณีมันเกิดขึ้นได้บ่อยไหยถ้าแบบนี้มาว่าสามารถบัดความก้าวหน้าตัวเองในการปฏิบัติได้ดีกว่าดีกว่าการที่เราเราคอยแต่จะมาตรวจสอบดูว่าเราได้ขั้นไหนแล้วอะไรเนะ่อางทีมาขั้นพวก น, นั้น คนที่จะรับรองเราเขารับรองได้จริงหรือเปล่าหรือเราอาจจะโมเมตไปเองหรือเปล่าจริงมก็จะไปจะไปเชื่อมากเราไม่ทุกเราวางอารมณ์ได้ดีแล้วมาอยู่กับหลวงพ่อคอมเขียนเน่หลวงพ่อไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เรื่องในพวกเนี้ยมาก็เลยคือเออมันมันก็ดีทำให้เราไม่ไปเพิ่มความอยาก อ, อนะีอ้อ วางไปนั้นได้มันก็พอมีหลวงพ่อก็พูดบ้าก็พูดอาที่เช่นหลวงพบอกว่าโสดาบันช่อความโกรธหายไป25เปอร์เซ็นต์อย่นีหลวงพ่อก็พูดนะก็คือก็คือหลวงพ่อไม่พูดมากแต่หลวงพ่อก็คืออย่างเวลาปฏิบัติอย่างเนี้ยคือตัอย่างที่อาจารย์นรสว่างนะเราเราวางอารมณ์ได้เร็วไหม อย่าง้คือเราเราก็ลองเทียบเทียงนะเราลองเทียบเคียงนะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงปฏิบัติแล้วเราเป็นยังไงใช่ไหมฮะคือเราจะรู้อะใช่ไหมฮะคือเราจะรู้รู้ตัวเองเพราะว่านั่นนั่นคือเราเคยโกรธนะอารมณ์ขนาดนี้เป็นปกติสุขของเราอยู่ใช่ไหมฮพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยไอ้ไปถึงระดับที่เป็นปกติสุขของเรามันไม่ถึงเนะี่ย <c oughs> ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอ่านอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็วัดวัดผลนะใะ่ไหมครวัดผลว่ามันน่จะถูกทางหรือยังหลวงพ่อนะโดยตัวหลวงพ่อเองเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนแบบว่าช่านคิดที่สุดในโลกนะก่อนไปรู้ไม่แน่ใจว่าอุตส่าห์ช่างคิดเท่าเท่าหลวงพ่อหรือเปล่านะเนื่องจากว่าหนึ่งก็ตั้งตั้งแต่เล็กเลยนะหมายถึงตั้งแต่เล็กๆมาเลยเนี่ยก็เน้นว่า มันมีคำอยู่คำหนึ่งนะที่โยมแม่เนี่ยก็จะบอกแบบว่าห้ามชักสีหน้าคือหมายถึงว่าพี่ายว่าเราใช่ไหมเป็นลูกที่โยมแม่เขาจะพาไปไหนมาไหนด้วยไปงงไปงานอะไรจัดง า, าเหล่าเนี้ยไอเราไม่อยากไปใช่ไหมโยมแม่เขาเหมือนทีเป็นผู้ใหญ่ในงานอย่างเงี้ยนะให้เราจะไปร้องอ้อนแย้งก็ไม่ได้เขาแค่แอบดีกเราห้ามชักสีหน้าเด็ดขาดนะ พอเป็นอย่างนี้คือเราก็จะเป็นคนเจ็บใช่ไหมฮะพอคนคนเจ็บเนี้ยสิ่งที่เราระบายอารมณ์ได้ก็คือระบายอารมณ์ในความคิดใช่ไหมฮะก็คือเราสามารถที่จะเหมือนกับว่านี้นี่คือการปลดปล่อยการปลดปล่อยของตัวเราเองอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่จะ็กจนโตแล้วยิ่งพอมาเรียนอย่างเงี้ยไอ้การเรียกว่าจินตนาการกับความคิดเนี้ยเราแยกกันไม่ออกใช่ไหมฮะนั่นนัึนคือเรายิ่งทํางานเนอะ ความคิดมันจะเป็นมันจะกลายเป็นเงินเงินตอบแทนกลับมา mm hmm. อย่างเรายิ่งคิดเก่งแค่ไหนเราก็ยิ่งได้เงินตอบกลับมาเท่านั้นเเนะี้ยเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้มันติดติดติดอย่างยิ่งเลยนะเรื่อติดอย่างยิ่งนั่นนั่นคือเวลาที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยไม่เอานะแต่แต่มาถึงสิ่งที่เรารู้สึกได้คือความคิดมันน้อยลง <c oughs> คือก็รู้ว่าไอ้ส่วนที่ความคิดน้อยลงเนี่ยนั่นนะก็คือเรารู้สึกตัวอย่างเงี้ยคับนะใช่ไหมคือในเวลาปฏิบัติคือเราเรารู้เลยว่าความคิดน้อยลงความคิดน้อยลงเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดไป็สามตลบอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราคิดแค่ตลบเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนะาะเมื่อก่อนเราคิดกลเป็นสามโลกเดี๋ยวนี้แค่รั้วบ้านอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเออมันก็อย่างเงี้ยมันก็นนก <c oughs> เราก็เห็นนะ เราก็เห็นว่านี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นที่ของความรู้สึกโตมันมากกว่าอย่างสมมติถ้างว่าเมื่อก่อนเราคิดไปสามตลบนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนมันหลงไปนานมากเลยพอมันเริ่มคิดมันหลงลงๆห ล, ลงไปเลยอย่าเงี้ยเราไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้มันคิดแค่้ากนมมันมันนนแแคค่่ออกไปไปด้ี้เองมันไปต่อจากนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยจึงนั้นเราก็นี่ก็คือเรารู้สึกตัวเร็งขึ้น ถ้าโดยส่วนตัวก็ถ้าโดยส่วนตัวก็มองมองภาพอย่างนี้น <eres longe. S 1> มองภาพ ว, <apps. S 1> ว่าเออเราเราสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเราคือยังไงอย่างนี้อย่งจุดอ่อนของเราอย่างนี้นใช่ไหมฮะมันมีจุดอ่อนอยู่หมันพอเรากลับมารู้สึกตัวไอ้จุดอ่อนที่มันเคยเป็นปัญหามันไม่เป็นปัญหาใช่ไหมฮะอย่างเนี้อ้าเราก็ใช่ไหมฮะเราสมมติถ้าว่าเราเรานู่นเล่นๆอ้าวใช่ไหยฮะ เรารู้สึกตัวสักกี่ครั้งใช่ไหมฮะไอ้ที่เมื่อก่อนจิตเราเคยไหวไปเนี่ยใช่ไหมฮะมันมันพอเรารู้สึกตัวลองรู้สึกตัวดูลองดูอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสักกี่ครั้งไอ้จุดอ่อนที่มันเคยมีปัญหากับเรามันมันหมดปัญหาไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้นั่งนับ น, นาทีที่นา ท, นาทีแต่เรารู้ว่าพอใจเรากลับมาอยู่ตรงนี้ไอ้ใจที่มันเป็นผูกพันตอนนั้นมันก็ น, น้อนล ก็คือตรงนี้กม็มองเห็นภาพของการปฏิบัติแบบนี้คือจิตเมื่อจิตเราไปคุกคีอพอเราซ้ําครั้งที่1ใช่ไหมครัพอสมมผัสสายตาสัมผัสครั้งที่1เนี่ยแล้วเรายังไม่ยอมหยุดนะสายตาสัมผัสครั้งที่2เนี่ยอารมณ์ของจิตเราก็เริ่มใช่ไหมครัเริ่มเริ่ม ม, มีปฏิกิริยาขึ้นมาในเชิงถูกผิดใช่ไหมครัอย่างนี้นะถ้าถูกก็ ดูอีกสักครั้งหนึ่งถูกจริงไหมถ้าผิดก็ดูอีกสักครั้งหนึ่งผิดจริงไหมคือไม่ว่าจะผิดไม่ว่าจะถูกเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปวุ่นวายกับมันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะพอมันวุ่นวายแล้วก็เริ่มตัดสินใจเห็นไหมว่าแล้วอะรอรต่างๆนะคือมันก็หลงแล้วมันก็ไหลไหลไปหลายหลา ย, หลายอย่างจนกระทั่งพออกพอใจอิ่มหนำสำราญแล้วก็หยุดไปใช่ไหมฮะอย่างงี้ยนะนี่นี่คือนี่คือสิ่งที่เมื่อก่อนเรเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างงี้แต่ว่าถึงวันนี้ เราก็เหมือนกับพอเห็นเราก็รู้ว่าหนึ่งก็คือถ้าเราซ้ําอีกครั้งหนึ่งจิตเราจะไหลไปนั้นเราก็หันมาสมนใจเรื่องอื่นมากรื่ความรู้สึกตัวอะไ ร, ะไรต่างๆนานาตรง น, นั้นมันก็เป็นอิทธิพนกับเรา ก, ก็ถ้าโดยส่วนตัวก็มองมองภาคการปฏิบัติเป็นเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราวัดผลกับสิ่งที่เราก็ไปสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆนานา ในการที่เราเหมือนกับคล้ารๆว่าพอเรากลับมารู้สึกตัวจิตที่มันดับไปตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มึงมึงก็มึง ก, ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับยังไงคล้ายๆว่าเราก็จะเห็นเห็นแต่ถ้าเกิดมาสิ่งที่จุดอ่อนของเราจริงๆอย่างเงี้ยใช่ไหยฮะอย่งจุดอ่อนมัไรจริงๆเมือน่อก่อนเนี้ยจะแบบว่าจะชอบจับผิดคนอื่นอย่างเงี้ยนั่นใช่ไหมฮะ ไอ้จุดที่เราคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นชัดมันนี่คือปฏิกิริยาของมันมันจบลงไปมันไม่มันมันแต่ยังถ้าอย่างเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่คมขายเท่ากับที่จุดอ่อนของเราแต่ถ้าเป็นจุดอ่อนของเรามันจะเห็นชัดๆนะครับว่ามันมันมันมันไม่มีอำนาจเท่าเดิมอย่างเงี้ยข้เสียมหออยใหญ่มันขยาเกินไป ถ้าว่ามันจะทำอยู่เรื่อยๆมันเป็อะไรมันจะหยุดไม่ได้นะหรืว่ามันพักทั้งวันบ้าอยู่แยกก็ทำด้วยทางานใช่ไหมทำงานทั้งโลกงานมาได้คืไบ้านเต้ตู้หันเงินทั้งวันบนแยกแยกก็ทำแยกก็ทำมันมีลักษณะอันอยู่ลักษณะของคนทากหลบ ลักษณะของคนชอกลมคือเราเองเราก็ต้องรู้ตัวเองเนาะคือไหมหมายถึงว่าความเป็นลมใช่ไหมมันมันมันพัดไปพัดมานะฮะจุดนี้คือมันไม่หยุดอนะ่ะลมนี่คือลมเนี่ยมันหยุดไม่เป็นอย่างนี้ยมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะก็คือหยุดไม่เป็นแล้วเขาเป็นคนชอบขับรถแบบออกจากบ้านขับรถออกจากบ้านสี่ห้าทุ่ม ไปหาที่ปั๊มไม่มีเหตุผลคือคือคือคือก็มีเหตุผลนะจะออกไปทําธุระอย่างเงี้ยก็มีเหตุผลนะ่ะเหตุผลของตัวเองเหตุผลตามความคิดนะ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยจะไปทําธุระอย่างเงี้ยแล้วพอ่นธุระมันไกลหน่อยง่วงนั้นเลยนอนข้างทางอย่างเงี้ย <laughs> คือนี่ น, นี่ <c oughs> <c oughs> นี่คือนี่คือสิ่งของของคนที่เป็นท่าลมคือคือความที่เป็นา่าลมบางทีคือถ้าเรารู้ตัวเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องช่อ ย, อย่างคุณหมอ ถ, <c oughs> ถ้าโดยถ้าโดยอากาศ <c oughs> ตริยาคุณหมอก็เป็นคุณหมอก็เป็นท่านลมเหมือนมนต์ตัวเอง <c oughs> เหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้ครัก็ก็คือก็คือแบบว <c oughs> <c oughs> ่าคือสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเบรกตัวเองไม่เป็นเบรกตัวเองไม่เป็น แล้วเมื่อก่อนก็ก็ยังดีใจนะว่าโอ้ยนะยังคิดแบบแม้กระทั่งนอนเนี่ยยังฝันถึงงานเลยก็ยังแบบว่าคือหมายถึงว่าคือคือเมื่อก่อนเราเราไ ม, ไม่ไม่รู้นี่คือจุดทอนใช่ไหมฮะ <S <S แล้วก็มันก็คล้ายๆมัก็เหมือนกับเราทํานู่นทํานี่ทําหลายๆอย่างแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่า ก็มีตัว ต, ตนนะว่าเออเราก็ดีนะทำไปนู่นก็ได้ทำํำไ่นีกน่ก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต้องเป็นมากเลยเป็นมากเป็นมากเมื่อก่อนนี้เป็นมากๆากเลยเป็นมากๆจริงๆปัญหาที่แบบว่าแบบคล้ายๆว่าอย่างอย่างปัญหาที่ที่ตัวเองเป็นอย่างเงีน้ยะ ไอ้แนวแนวเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเนี๋ยลุกเดี๋ยวนั่งอย่าเงี้ยถูกใจถูกใจหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งลุกถ้าอยากลุกอย่าเพิ่งนั่งถ้าอยากนั่งอย่างเงี้ยชอบมากเลยไม่คือเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าลุกถ้าอยากลุกอย่านั่งถ้าอยากนั่งคือหมายถึงว่าเรานั่งสร้างจังหวะอยูใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยากลุกเราก็ลุกขึ้นไปเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่ใช่ไหมเราก็อยากนั่งตั้างจังหวะเราก็นั่งอย่างเงี้ย ในความหมายในความหมายที่หลวงพ่อพูดก็คืออย่าลุกถ้าอยากลุกอย่านั่งถ้าอยากนั่งก็คือตรงนี้ก็มีคนก็ถามหลวงพ่อขึ้นมาทันทีบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ลุกเมื่อไหร่จะได้นั่งหลวงพ่ <c oughs> าากอก็บบโอ้สมควรจะลุกก็ค่อยลุกนะสมควรจะนั่งก็ค่อยนั่งนะอย่างเงี้ยคือคือโดยโดยภาพแบบเนี้ยเราได้เห็นเลยว่าเมื่อก่อนชีวิตของเรา ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องไปถามเพื่อนบอกว่านี่บอกทีนะลุกมาทําไมตรงเนี้ยช่วยบอกทีอะไรอย่างเงี้ยเมือวันดีเราก็นั่งลงต่อหน้าเพื่อนแล้วก็ถามว่ า, านี่นะจําไม่ได้เหมือนกันนะว่าเนี้ยไม่รู้ว่าจะมานั่งตรงนี้ทําอะไรช่วยบอกทีอย่างเงี้ยจําหน้าว่าคําพูดแบบนี้เคยออกจากปางเพราะเราก็เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเรามานั่งตรงนี้แล้วทําไมเราลุกไปยืนตรงนั้นนะแต่ว่าถึงเวลาที่เราปฏิบัติทํามเรารู้ว่านี่คือความอยาก อยากปุ๊บแล้วเราไม่รู้ไม <Yeah. S 1> ่รู้ทันความอยากความอยากก็พาเราเดินไปจบความอยากแล้วมันก็พอมันก็ทิ้งเราไว้ตรงนั้นนั้นเราก็อยู่กับความงงๆว่าเราเดินมาทําไมตรงนี้เรานั่งลงทําไมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกับว่านี่นี่คือนี่คือนี่คือเราความอยากในชีวิตเราใช่ไหมฮะเหมือนกับคนใช่ไหมฮะอยากถอดแว่นก็ถอดแว่นก็วางไปเสร็จแล้วก็เอ๊ะมันไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้เพราะว่า ไอตอนที ak, rolling, hmm yeah> oh ่หวานั้นมันอยากมันอยากทิ้งมันแล้วไม่ไม่ไม่อยากเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จำอะไร่อย่างนี้อะไรทาเรานใจอย่างนี้ก็ก็อย่างนี้ก็มีถุณป้าดารามีอะไรมีอะไรเล่าสู่กันฟังเป็นยังไงบ้างเออ ที่ปฏิบัติมานานเท่าไหร่แล้วสปีสามปีนะฮะสามปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตมี <c oughs> อะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อก่อนเป็นยังไงเอ่ย <c oughs> ตอนที่มาปฏิบัติใหม่ๆนี่มาเพราะอะไร มาปฏิบัติใหม่ๆมาาเหรมาเราไม่มีความทุกขน์นะ่ะมาเพราไม่มีความทุกข์ เราไม่ไม่ทุกแต่ก็แต่ก็ยังหลงใช่ไหมประจำตัวก็มีบ้างอไม่ใช่ไม่ใช่นนี้ตอนนี้พอมาปฏิบัติข้าเนี่ยทำให้เรารู้ธรรมชาติของนเราก็ไปเรข้านั่ที่งมหมาก ก็บอกว่าก <ấn além> <t ired> ็ก็คิดว่าอู้เออเขาเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้มามามาสดกับเราใช่ก็เขาอาจจะมีพบชาอแลรของเขามาให้เป็นที่ใสแบบที่นีอะไรที่เศอะไรก็เลยต้องรักกัค่ะจำน้องโมโหมากมากเเมื่อไหร่จริงๆสามปีกว่า แม่ว่ามาเม่อเร็วๆนี้ก็ก็เกิดก็ยังสะใจว่าเอ๊ะโดได้ยังไง คนไหนคนไหนที่เรารักมากคนไหนที่เราให้ค่ามากมก็นับถือมากรักมากผูกพันมากมันก็ถ้ามันเป็นไปอย่างที่เราต้องการเราก็สุขมากไม่เป็นอย่างที่เราต้องกา ร, ราก็จะทุกข์มากม อ, อือ ก็ก็รู้ให้ทันอารมณ์ตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆอะฮะเช่นมันแค่หงุดหงิดหรือบางทีหรือบางครั้งอะอย่างที่พระอาจารย์ตุ้มพูดบางทีเฮ้ยเราก็ไปดูข้อไม่ดีของเขาแล้วเราก็ไปคิดปรุงต่อมันก็เลยมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นเช่นคนเรามันไม่สมบูรณ์แบบะนะบางทีตอนแรกเราจะเห็นแต่ด้านที่ดีเราก็นับถือหรือรักเขามากแต่ พอเราเจอนานๆเราก็เห็ น, หน ด, ด้านที่ไม่ดีบ้างแล้วเราก็แล้วเราก็ไปจับแต่แต่ปพื่ด้านที่ไม่ดีแล้วเราก็ไปปรุงต่อมันก็เลยคิดมันก็เลยโกรธมากขึ้นหรือมไม่พอใจแต่จริงถ้าเราถ้าเรารู้ทันตอนที่เราไปปรุงแต่งตอนนี้แล้วแทนที่เราจะวางเออเขาก็เขาก็คนเขาก็ขาขขาข อ, อาจจะอาจจะมีด้านที่ไม่ดีบ้างเราก็วางั้นไปมันก็ใจเราไม่ไปปรุงแต่งต่อมันก็ไม่ทุกข์ มันก็มันก็เป็นเป็นกัทุกคนแหละอย่างตมาเองบางครั้งแต่ ก, ก่อนนะก็ก็เป็นไปสำนักนั้นสำนักนี่อยู่ก็ดูเราก็จะไปดูเรียนรู้ข้อดีแต่บางทีเราก็ไปเห็นข้อไม่ดีแล้วเราก็ไปไปติดกับอารมณ์นั้นก็มีซึ่ง แต่พอมันเห็นไปบ่อยเห็นว่าอะไรไม่ใช่ไปเห็นเขาดีนะแต่เห็นว่าจิตเราไปติดแทนที่เราจะวางว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของเราคือเรารักษาใจเราให้มันกลับมา ป, ปกติคนอื่นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราวางใจอย่างนีออ้ที่จริงทุกคนแหละแม้แต่พระอรหันต์เองจะว่าไปนะ ท่านก็มีจิตินิสัยซึ่งบางทีมอาจจะไม่ถูกกับจิตเราก็ได้มันก็เป็นนิสัยของท่านซึ่งเราจะไปหาใครที่มันดีสมบูรณ์แบบไม่แต่พุทเจ้าเองบางทีถ้าเรามีความคาดหวังอีกอย่างแล้วถ้าไม่ทำอย่างที่เราคาดหวังเราจะโกรธท่านก็ได้อย่างบางคนเนี่ยถามปัญหาพุทธเจ้าพุทเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ได้สาระไม่ตอบ <c oughs> ก็ผ่านโกรธพุทธเจ้าตรงนี้แต่ท่านก็บอกเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไง แต่จริงท like, it. ่านก็เป็นแบบนั้นของท่านใช่ไหมครัก็รู้ทันตอนที่จิตเราปรุงแต่งจิตจิตมันปรุงแต่งแล้วเก็กลับมากลับมาดูตัวคือเราคนรักคนที่เรานับถือคนที่เราให้ค่าเรามันพร้อมที่จะเวียงเป็นุขเป็นทุกข์ได้ได้ได้มากกว่าคนอื่นคนอื่นเราจะวางได้เร็วแต่ถ้าเรารู้ทันนั่น คือเราเราก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์ปกตินี่แหละแต่แต่จริงๆว่าเราคอยรู้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเช่นตอนเนี้เราเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเขาจิตเราเกิดความไม่พอใจเรารู้ทันจิตที่มันไม่พอใจจิตมันปุ่งแต่งต่อรู้ทันจิตที่ปรุงแต่งต่อแล้วก็กลับมาบางทีมันวางได้เองมันก็รู้ตัวได้เองแตบางทีมันวางไม่ได้เราก็ต้องพยายามกลับมาเพราะไม่มันจะรามไป มันจะแรงไปอันนี้คือแม้แต่ที่จริงหมายว่าบางทีด้านอากุศลเน่บางทีอาจจะเห็นได้ง่ายรู้ทันได้เร็วแต่ด้านที่เป็นกุศลด้านที่เป็นบวกบางทีก็ต้องก็ต้องรู้ทันมันเหมือนกันนะบางคนหลงครูบาอาจารย์มากเกินไปพออย่างพอพอบางทีเห็นอะไรไม่ดีขึ้นมาก็เลย คอผิดหวังไปมากก็มีคือตอนที่เราดองมากเราก็ให้ค่ามากพอเราผิดหวังมันก็เลยผิดหวังมา ก, ามากเราก็ต้องรู้ทันตนะั้งแต่ตอนที่ที่มันเจอกับอารมณ์ด้านบวกนี่แหละได้ิมถ้าเราไม่ดองมากนะเราก็จะเรานับถือแต่เราก็ไม่ไม่ใช่ว่าจิตเราต้องไปปูกกับกับคนอื่นจิตเราก็ต้องเป็นส่วนของเราเห็น มารักษาจิตตัวเองนี่แหละที่มีสติเนี่ยคอยรักษาจิตแต่ไม่ใช่แบบพยายามที่จะเฉยเฉยกับทุกอย่างไม่ใช่หรอกจิตจิตคนทั่วไปไม่เฉยหรอกมันไม่เฉยมันมันมันมีการให้ค่าแต่ละ ด, ด้านแต่การที่มีสติเราจะเรียนรู้ดูเพราอันนี้คือเรื่องที่เราให้ค่าเรื่องที่เราไม่ได้ให้ค่าก็คือสัญญาที่เราจํำนั่นแหละแล้วก็พอเราเห็นบ่อยๆมันจะล้างพวกสัญญาคนนี้ได้ไม่ใช่ว่าจําไม่ได้นะแต่ แต่ล้างกันยึดมั่นถือมั่นในทางนี้เช่เรามีลูกอะ่ะก็ต้องรักมีลูกก็ต้องรักล้วให้ค่าลูกมากกว่าลูกคนอื่นน่าใช่ไหมความสุขความทุกข์ที่เกิดจากลูกมันก็ส่งผลต่อตัวเรามากแต่เราถ้าเรามีสติเรารู้ทันมันจะมันจะเห็นอารมณ์อารมณ์ที่มันไปส่งไปบวกส่งไปรบ ก, กับพอเนื่องเรื่องของเขาเนี่ยเราจะเห็นบ่อย ซึงเราสามารถฝึกสติกับเรื่องพวกนี้ได้ในในครอบครัวเราเราเห็นเดี๋ยวบางทีเราก็รักเขามากบางทีเราก็โกรธเขาบางทีเราก็อะไรน่ะหงุดหงิดทั้งท้งที่จริงเราก็เห็นว่าไอ้ที่ตลกอะเราว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาทําตัวให้น่ารักไม่น่ารักแต่จริงจิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ไม่รักเนี่ยจิตเราเนี่ยเปลี่ยนเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นแหละเขาก็เปลี่ยนของเขาอยู่เหมือนกันแหละทุกอย่างก็เปลี่ยน เราจะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเอาความคาดหวังของเราเองนะความคาดหวังอยากให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการมันก็มันทําไม่ได้เราก็แค่ยอมรับความจริงไม่ทันแล้วก็ทันอย่างนู้นจะทำมา้ไเออเออไม่เป็นไรที่จริงพลาดไปแล้วก็ก็ช่างหัวมันอืมไม่มีมันมีแต่ ทำใหม่แก่ของเก่าไม่ได้หรอกทํำมาดีแก่ของเก่าไม่ได้มีแต่ทําใหม่อาการที่เราที่เราทําอะไรอย่นี้แล้วจิตมันมันมันมันอย่างนี้ไม่ใช่เพ่งก็ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่รู้แค่อย่างเช่นไม่ใช่รู้แค่มือรู้แค่เท้ารู้แค่ลมแต่ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมก็ไม่เพ่งหรอกก็อยู่ จิตมันก็อยู่กับกายที่ที่เนี่ยสุดที่ทำสสถ้ารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นี่ไม่ไหลไปกับความคิดนานๆกลับมาได้รู้ทันอารมณ์เดเร็ว ก, ก็ก็ถูกแหละอืถูกมันไม่ถูกก็แต่เมื่อเมื่อที่เราหลงไปนั่นแหละแต่ถ้าหลงแล้วก็รู้มันก็ถูกเหมือนกัน จะไม่ให้หลงไม่ได้หรอกยังไม่ใช่วิสัยยังไม่ใช่วิสัยของเราแต่ยังน้อยมาว่าคนปฏิบัติธรรมบางทีตอนแรกเราก็บอกว่าเราไม่ค่อยทุกข์เรามาปฏิบัติธรรมเราจะมีศรัทธาหรือสนใจธรรมะแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยมันจะเห็นว่าบางทีที่เรารู้สึกทุกข์อ่ะมันคือเราให้เราบอกว่ามันเป็นเรื่องแรงๆลูกตายสมมตินะ หรือว่ารประสอุบัติเหตุถือว่าเราเป็นเจ็บไข้ได้ ป, วป่วยเราถึงเรียกว่ามันทุกข์หรือเวลามีปัญหาหนักๆเราถึงเรียกว่ามันทุกข์แต่เราปฏิบัติไปเรื่อยมันจะเห็นว่าความทุกข์ที่พระพุทธเจ้านิยามอะมันมันไม่ใช่แค่เรื่องแรงๆแบบนั้นที่จริงแค่เราไม่พอใจเนี่ยใ จ, ใจมันก็ทุกข์ละใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาละใจมันเสียความเป็นปกติละหรือบางทาีแค่ แค่สมมติเราง่วงนอนถ้าเราไม่ชอบความง่วงนอนเนี่ยก็ก็ทุกข์กันนะใช่ไหมฮะหรือเรานอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็อยากจะนอนให้มันหลับนเนะหรือบางทีก็กลัวว่านอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวแก่แล้วนะเดี๋ยวจะไม่สบายใช่ไหมอันนี้ก็ทุกข์แล้ว น, นะ <S <S <S <S นี่มันมจะเห็นนิยามความทุกข์ที่มันมันมันมากขึ้นแต่แต่เห็นแบบนี้มันดีนะออ มันดีมันดีกว่ากว่าการไม่เห็นมันจะเห็นว่าแค่แค่จิตมันไหลหรือปรุงแต่งนิดนึงเนี่ยจิตมันบีบพันะ่ะอืหรือบางทีบางคนก่อนปฏิบัติคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งละแต่ปฏิบัติไปเรื่อยๆจะเห็นไม่แต่ความคิดไม่ดีนี่ก็เยอะนะอืมเราเป็นเราเป็นคนดีเรารักษาศีลเราเป็นอะไรนะต่างดี บางทีมันก็ผุดขึ้นมาความคิดไม่แต่ไม่พระเองก็เดียบางทีบางทีก็มันก็ผุดความคิดที่ไม่เหมือนพระก็มีใช่ไหมมันก็ถ้าเราไม่ยอมรับว่าความคิดมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราก็จะเครียดทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะบางคนก็ไปคาดหวังกับตัวเองเกินไปเช่นเปลี่ยนสถานะมาแล้วต้องต้องดีสิใช่หรือบางคนเนี่ยมาวัดแล้วโอ้ทำไมคิดแบบนี้ได้ล่ะ ทาแท้จริงเราก็เพิ่งมาวัดวันนี้เองสมมตินะเราจะเปลี่ยนทันทีเลยได้หรือเปล่านะใช่ไหมวันนี้เรามาถือตินห้านะอ่าบางทีก็เผลอไปตบยุงเอา้าก็แต่ก่อนมันเคยตบมาเป็นประจำเนี่ยใช่ไหมมันจะห้ามทันทีได้ไหมบางทีก็ความเคยชินมันมีอืมมันก็มันก็ต้องค่อยฝึกไปบางคนเนี่ยไปคาดหวังเลิศเกินไปก็ก็ไม่ถูกแต่การปฏิบัติธรรมจะทําให้เราเห็น เห็นกิเลสตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็รู้ทันมันได้เยอะขึ้นนะนะก็ก็ก็ถือว่าถูกจิตอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าจิตไม่คิดไปไปไกลจิตไม่ได้คิดกังวลนันดอนาคตจิตก็อยู่ปัจจุบันมันก็สมาธมันก็สบายนะสบายแล้วจิตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตจะเป็นอย่างไรที่ไม่บางคนเนี่ย คนส่นใหญ่บางทีเครียดเพราะอะไรอย่างคนทำงานเครียดกลัวกลัวสมมติกลัวตกงานนหรือว่าหรือบางทีบางคนก็มีลูกก็กังวลว่าลูกจะเตมไม่ลูกจะเรียนคือจิตไปผูกกับอนาคตทั้งที่จริงลูกตอนนี้มันก็ยังแค่ปถมอยู่จะไปคิดถึงมหาลัยแล้วบางทีก็ก็ไปเครียดเรองหน้าก็มีใช่ไหมใช่ไหมมันมันก็ ก็ไม่เป็นไระแต่ก็ขอให้ทำทุกวันบ้างวันละตอนก่อนนอนตอนก่อนนอนตอนว่างเมื่อไรก็ได้ลึกแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายเราไม่ได้มันไม่ใช่ช่วงแบบมาเก็บอารมณ์แบบนี้เนะเก็<ม>บอารมณ์แบบนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเราก็วางอย่างอื่นไปแล้วก็สามารถปฏิบัติในรูปแบบได้เยอะขึ้นหรือว่าบางบางครั้งเราไปอยู่วัด เราไม่ได้มีภาระต้องรับผิดชอบเราก็มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นหรือเราไปปฏิที่อย่างสวนโมกหรือว่าที่บ้านนาดีที่ไหนก็ถือว่าวัออานนี้ทั้งวันเรามาทําเรื่องนี้เป็นหนักวันนี้ใช่มครัก็ไอแบบนั้นก็เหมือนหลวงพ่อเขียนใช้ว่าอดีต ก, ก ร, ราบ <c oughs> คือมันเป็นพิเศษรากที่ได้มาแบบพิเศษแต่ในชีวิตจริงเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพิเศษแบบนั้นบ่อยแล้วก็ใส่รู้ตัวบ่อยบ่อยมาชอบที่หลวงพ่อบอกว่า ให้ช่วยโอกาสนะนะั่นแหละสาคัญกว่าชวยว่าติดเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวอะไรยืนรอเมืเนยะ็นรอรถเมย์นี่เราก็รู้สึกตัวไปแล้วช่วยโอกาสสําคัญมากแล้วพอเราช่วยได้ไบ่อยๆนี่มันจะจิตมันก็จะช่วยเองแรกๆตั้งใจเช่นเออว่างแล้วรู้ตัวว่าใจลอยไปอะตั้งใจมามาลิกมือดีกว่าแต่พอแต่ต่อไป มันจิดมันมันเ่วยที่จะรู้ของมันเองอันนี้จะดีหมายว่าปฏิบัติอะไรนะปฏิบัติเป็นประจำทุกวันดีกว่ามาเข้มทีเป็นแบบเป็นเจวันห้าวันดีมาว่าปฏิบัติทุกวันวันละเล็กวันละน้อยแต่ก็หรือว่ามีทีทีเทิ้งน่อยเช่นอย่างน้อยก็อย่าให้แบบเผลอไปทั้งวัน เช้าตอนเย็นแล้วก็ามารู้ตัวอย่างน้อยก็ในกลางวันก็อาจจะรู้ตัวบ้างจะดีกว่าบางทีเราแบบกาจะมาเต็มที่เจ็ดวันเวลาเข้าคอตัวนะี้แล้วเวลาที่เหลือล้วก็ล้มากไว้ก่อนปากไว้ก่นอนเอาไว้รวกที่เดียว สองคนไม่มีถ้าหากว่าคนที่อยู่ในบ้านนะคะถ้าบอกบางทีเราดูปั๊บแล้วจิตเราว่ามืดทันทีเรารู้แล้วแต่เร า, าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันจะมันจะเหมือนว่าฟังฟังสกชื่ออะไรนะคะมันจะดับหมดอ่ะ <c oughs> มันจะอย่างนั้ น, นพอเห็นไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยอ่ะพอเห็นปั๊บจะรู้ทันทีเลย ว่เช่นแบ บ, บ เ, เดินกลับแถวไปบ้านจิต ด, ดาเลยนะ <c oughs> นนเหมือนแบบว่าก็าเห็นเห็นหน้านี้จะรู้ทันทีเลยว่าเราเราไม่เราไม่รู้เป็นอะไรล้วแต่ยังไม่รู้เลย ว, ว่าสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันจะเป็นโกรธไรู้พวก อ, อีกอย่างอะไรที่ไอ้นี่เราเป็นอะไรทาไมเราเหมือนว่า มไม่มีอะไรมันมันดำมืดอะค่ะก็ไม่เป็นไรก็คือมันมันก็อาจจะเป็นมันจิตใต้สํานึกบางอย่างมันมันมันทําส่งผลแบบนั้นเนาะมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คือที่จริงจิตมันเป็นอะไรไม่สําคัญเท่ากับว่าเราดูมันไหมว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมฮะ เราดูมันแล้วก็แล้วก็เออก็คล้ายๆอยู่เหนือมันอีกทีหนึง่งสมมติจิตตอนนี้มันมืดตัวที่รู้เนี่ยมันจะอยู่เหนือมันแล้วก็พยายามรู้แบบนี้ไปๆเหมือนคล้ายๆน้ํากับน้ํามันเลยมันอยู่คนละชั้นกันจิตที่มันมืดเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่จิตที่รู้ว่าจิตมืดเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึง่งการที่เรารู้สึกตัวเนี่ยจะทําให้จิตเราลอยขึ้นมาบ่อยแต่วันที่เราหลงก็จม แล้วก็รู้ตัวใหม่ก็ลอยขึ้นมาไม่เป็นไรนะคือจิตมันจะมันเป็นของมันเองก็ก็ช่้ำของมันแต่ถ้าเราออกได้ไบ่อยๆเนะี่ยออกได้ไบ่อยๆเนี่ยมันจิตมันจะเปลี่ยนเองมันจะอยู่กับความปกติได้ได้มากขึ้นอยากรรรู้้ว่่่่าาาทีเสกกออยงนนนัออะะมไ็คงมีความไม่ชอบใจไอ้บางอย่างที่เราเก็บไว้ กับสิ่งกับสภาพแวดล้อมที่เราเราคุ้นเคยอย่างบางคนจะมารู้สึกบางคนอยู่ดีๆนี่สบายดีพอไปทํางานเนี่ยโอ้ไม่ชอบเพื่อนร่วมงานไม่ชอบหัวหน้าบางทีจิตมันไม่สบายล้วใช่ไหมฮะบางคนเป็นแบบนั้นมันต้องเลี้ยุปสแม่ใช่ไหมคะบัญชีมันก็ไม่ใช่แต่บางชีมันก็มีความรู้สึกฮนะอย่างเราเมื่อสัมผัสได้บางคนเนะี่ย คนเนี้ยสมมติบางคนเขาเนี้ยอารมณ์ร้อนหรือว่าพอเราเข้าไปใกล้เนี้ยเราก็รู้สึกว่าขีดเราจะเริ่มแข็งแข็งหรือว่าร้อนตามเขาอนะมันมันมาสัมผัสได้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบเราเนี่ยมันหาไปหมดอ่ะมันยัไปอะไรอย่างไรถึงถึว่าโง่ใสตัวเองถึงไยงเนี่ยต้องคิดกับคคนคนนี้น่ก็ แต่ตอนนี้อย่าอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลว่าทําไมมันถึงเกิดเพราะการที่เราไปหาเหตุผลเนี่ยเราไปสร้างคือเราไปเราไปหลงไอ้ความสงสัยนะวางบางเหตุผลเลยแค่รู้ว่ามันเป็นแค่นั้นแล้วก็กลับมารู้สึกตัวแค่รู้ว่าเป็นลกลับมารู้สึกตัวไอ้ตัวนี้มันจะทําให้เราในที่บอกเหนือเหตุเนื้อผลแต่ว่าบางครั้งแต่มันก็ดีที่มจะพาพอพอ ม, มันจะไม่ดังหมครั้งเลยก็บบติดจุดเจอปฏิบัติบางทีมันก็มันก็ยากนะบางทีเราก็อยากจะเข้าใจเรื่องของตัวเองให้มันชัดเนี่ยแต่บางทีมันก็บางทีต้องกล้าที่จะแบบไม่รู้ก็ได้วะจริงจริงนะหลวงพ่อเขเขียนใช้บอกอย่าเอาเหตุเอาผลเหยาถูกเหรผิดเนี่ยอย่างอาตามาเองตอนใหม่ๆนี้จะ ต่อต้านคำนี้ของพ่อเพราะว่าอะไรเราเรียนใช่ไหมมันมันก็ต้องมีเหตุมีผลหรือความถูกความผิดความชอบทำความไม่ชอบทำที่มันมันเป็นสิ่งที่มันมันก็ควรที่เราจะให้ค่านอะใช่ไหมฮะเราก็ควรที่จะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้สูตรใช่ใช่น่ะแต่ไม่รู้นะแต่ใหม่ๆหม่เอามาก็ไม่เข้าใจตอนนี้แล้วก็อืม ก็ตันตันในใจนะแต่พอเราลองทาตามท่านบ้างเนี่ยมันจะรู้ว่าบางทีการไม่เข้าใจใครเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจเขาก็ไม่ใช่ว่าเราเราจะไปดีเหมือนเขาหรือเราจะเขาจะดีขึ้นที่จริงการไม่เข้าใจเขาบ้างแต่เราแค่วางความไม่เข้าใจความไม่เอาสูกกับผิกับเขาเนี่ยมันสบายกว่าแบบบางทีก็บอกเลยเขาก็เป็นแบบหน้่ของเขาแหละ อย่างที่อาจารย์พุทธทาสบอกตัศตาเนี่ยมันเป็นเท่นนั้นเองจริงนะแต่ใจเราถ้าเรามันหลงก็จะเอาให้ทุกคนเอาถูกกับผิดซึ่งมันก็สามารถเป็นได้กับทุกคนแม้แต่คนที่ดีโยมก็บางทีมันก็มีคนที่ดีคนที่เราเคารพเนี่ยเหมือนอย่างคุณคุณป้าดาราบอกวนะ่าบางทีมันก็เขาก็มีส่วนเลวอะ่ะมีส่วนที่ไม่ดีบ้างมีส่วนที่บางทีอะ่อไม่ได้เร็วนะแต่เราไม่ชอบใจ เราคาดหวังอีกแบบหนึง่งแต่เขาเป็นอีกแบบห น, นึ่งตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ดีหรือเลวนะแต่มคไม่ตรงจากที่เราคาดหวังเราก็ทุกข์ละแต่ถ้าเราไม่เอาเหตุผลยอมรับไปเลยว่าเขาเป็นแบบนั้นแหละเขาเป็นแบบนั้นแหละสบายแต่ถ้าเราไม่ยอมรับนี่ทุกข์เป็นกันตุเราก็ต้องฝึกตอนเนี้ยถ้าฝึกคนนี้ได้เดี๋ยวคนต่ อ, ตอไปมันก็จะทํานองเดียวกันก็จะฝึกวางได้เหมือนกัน คนรอบข้างคนอไม่มีปมัญหาค่ะมันก็มันจะมันจะตัดได้เร็วทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นบางคนใช่ค่คนที่เราให้ค่า <c oughs> อย่างตมาเองเนี่ยใหม่ๆเนี่ย <c oughs> เป็นกับเรื่องครูบาอาจารย์บ้างเรื่องระเบียบข้อวัดบ้างคือเราไปยึดความถูกความผิดความสมบูรณ์แบบอะ่ะ บางทีเราก็คาดหวังว่าผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องต้องต้องดีหรือว่าระบบระเบียบมันต้องต้องดีสิสังคมเลยนะซึ่งพอเรามาเจอจริงมันมันไม่ใช่อย่างอย่างที่เราคิดเราก็ทุกเองเพราะเราไปยึดแม้แต่เอายิ่ง่ายแม้แต่สมัยผู้พุทธเจ้าเองนะอยู่ในวัดที่พระเจ้าอยู่ วินัยต่างๆที่ที่มีในปัจจุบันก็พระส่วนใหญ่ก็พระในวัดที่พระเจ้าอยู่นั่นแหละเป็นคนทําอาบัติมาอ่านพวพระวินัยนะโอ้พระกลุ่มกลุ่มที่ทําอาบัติบ่อยๆนี่ก็อยู่ในวัดเจตวันที่พระเจ้าอยู่นั่นแหละเจตวันก็มีพระเจ้าเจ้ามีตาลีบุตรมีโมคารานะมีพระอนนท์มีพระศิวิตรีมีพระอรหันอีกเยอะแยะเลยแต่ก็ยังมีพระที่ดื้อ เกเกก็ยังอยู่ในนั้นแม้แต่ในสังคมสองในช่วงยุคยุคพุทธกาลก็ยังเป็นเช่นนี้ เ, เราจะมาคาดหวังอะไรกับตอนนี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่แต่ถ้าเรารักษาใจเราได้คนอื่นเขาอาจจะเขาจะเขาอาจจะไม่ดีแต่เราก็ไม่ได้มองเขาไม่ดีแบบว่าเขาจะแก้ไม่ได้นะเราก็มองเขาว่าเออเขาก็เป็นตอนนี้แต่เราก็ยังมีจิตพัฒนาดีถ้าบอกได้ช่วยได้เราก็บอกอยู่ จิตเราก็วางแบบนี้นะหมายถึงว่าไม่ไปทุก์เพราะเรื่องของเขาแล้วก็พอที่จะช่วยเขาก็ก็คือแบบนี้นถ้าจิตวางเนี้ยมันจะมันจะเออจิตเราก็สบายถ้ามีโอกาสเราก็ทําไม่มีโอกาสเราก็วางไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่แบบฉันช่วยเต็มที่แล้วแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ใช่แบบแบบไม่ใช่แบบบ า, บางคนบอกว่าอย่างที่พูดเมื่อวานบางทีบางคนบอกไอ้ระหว่างการทําเต็มที่กับการปล่อยวางเนี่ย มันเหมือนคล้ายๆมันปิดคนละคนละส่วนกันเลยแต่จริงมันสามารถอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันจะเป็นต้องอยู่ด้วยกันด้วยเพราะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเช่นสมมติเราช่วยใครเต็มที่แล้วสมมติช่วยมาปีหนึ่งช่วยไม่ได้แล้วทิ้งเลยไม่ดูแลไม่สนใจเลยมันก็เป็นแบบนั้นนะแต่จริงมันอาจจะมันก็ผิดตั้งแต่ทั้งสองด้านนะพอช่วยเต็มที่แล้วเราก็คาดหวังมากพอไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็ทิ้งไปเลย มันก็ไม่ใช่บางทีมันก็ต้องแบบมาบางีมันก็ต้องคล้ายๆเหมือนที่เราเลี้ยงลูกนั่นแหละเราก็เลี้ยงเขาเต็มที่นั่นแหละอแต่บางทีเขาไม่เป็นรเราต้องต้องการบางทีเราก็ต้องวางเพราะฉนี้นเราก็ทุกแต่เรามีโอกาสเราก็ให้สอนใหม่แนะนําใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นเป็นยังไงเราก็เต็มที่แล้วไปเราทิ้งเลยทิ้งเลยเขาไม่สนใจเลยี้บางทีก็ต้องวางใจอนั่น มาว่าพระพุทธเจ้าเองนะเจอพระอย่างเทวทัตเนะี่ยมาาพะพุทธเจ้าก็ก็สอนนะก็บอกถ้าไม่เอาพระเจ้าก็วางเหมือนกันพอมีอการใหม่ก็สอนใหม่เตือนใหม่นะ ก, ก็ก็ทำไปตามหน้าที่คือไม่ไปทุบเพราะเขาแต่ก็ยังทําหน้าที่ของของเราในการเป็นกันยมิตรกันอยู่เนะี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกนะ สังคมยูโทเปียจริงๆไม่มีไม่มีหรอกแต่แต่สิ่งที่มีคือคือใจที่ไม่ทุกข์อ่ะมีใจที่ไม่ทุกข์มีแต่ถ้าแต่แน่นอนบางครั้งถ้าเราอยู่กับคนที่วางใจแบบนี้ได้บ่อยมันก็จะค่อนข้างไม่มีปัญหากันถ้าแบบนั้นก็ดีแต่แน่นอนสังคมปัจจุบันมันมันมันหลากหลายเนาะ แล้วก็ความหลงมันก็ไม่ใช่แต่ใครหรอกไม่แต่เราเองเราก็บางทีเราก็ยังหลงเราจะไปคาดหวังให้เขาไม่หลงได้ไงอันนี้เขาเรียกว่าอาการติดดี <c oughs> ติดด้านดีอ่า น, นะต้องต้องเลิกทันบงทีบางทีเราทุกข์เพราะเราติดดีติดติดติดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูก ไม่ได้ว่าผิดนะแต่ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเราจะเห็นว่าอ๋อที่เราทุกเนี่ยเราไปยึ ด, ยดความถูกยึดความดีนี่เองเราถึงทุกแต่การทําดีเนี่ยดีแล้วนะอแต่เราอย่าไปติดในสิ่งที่ที่เราทรําก็พอแล้ว <cs> วันนี้ก็ถาอาจารย์ดาราหายใจไุกเือเดินก็คิดรู้อ่าคนคิดมาก็แบบัน้นมาก้วก็ไวอ่ะเพเดินไปปะมากใจะทีเน่ยก็จิตก็ย้อนมาที่ตัวเองทไมตัวหายไปไหนเนี่ยคิดว่าตัวเองก็เพี่ความคิดอ่ะ กอยู่เรู้อยู่แล้วก็ไปคิดโู้คดนแแว๊บหนึ่งเนี่ยไอตัวไม่ก็ไปถามอาจารย์าราอาจารย์าากว่ามีอะไรหรืว่าไม่รับใช้ก่อี่เรบ้างแบบไหนให้เขาตัสนใจแล้วตัง เราไม่เคยเจอเพราะว่าเคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็เราก็ไม่สนใจไม่ม่อะไระนเลยล้ก็เิไวางก็คืออาการต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราวางได้อนะันนั้นบ้างจริงแต่ถ้าวางไม่ได้เนี่ยไปไปถือความว่างเนี่ยก็จะไม่ว่างคือเข้าใจไหมแต่วันนี้ก็ไม่หาอืม อาร์อานนั่นแหละก็คือเส้นสมมติมันเกิดขึ้นตอนนั้นอ่ะเราเราไม่ไปติดมันแม้สมมติมันไม่ว่างนะฟุ้งซ่านมากเลยเราก็แค่รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านอันนี้คือจิตมันมันไม่ติดละหรือตอนเนี้ยสมมติถ้าเรามันจิตมันสงบเราก็แค่รู้ว่ามันสงบเมื่อมันมันก็ไม่ติดละแต่ไอที่ติดอ่ะบางทีบางทีเราก็ติดทั้งด้านบวกหรือด้านลบอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเรา ด้านบวกเกิดขึ้นด้านด้านรบเกิดขึ้นเราก็แค่รู้เฉยๆที่หลพอเตียนบอกรู้ซื่อๆขึ้นแบบนี้จิตมันไม่ติดแต่มันมีนะมันมีความคิดมันมีความง่วงมันมีความสุขมันมีแต่เพียงว่าเราก็ตักแต่ว่ามันมีก็ไม่ได้ให้ข้ามมันนะอันนี้ก็คือไม่ได้ปฏิเสธแต่เพียงแต่ว่าไม่หลงไปไปให้ข่ามัน เหมือนที่จริงจิตเราก็เป็นแบบนี้กับหลายเรื่องแต่กับบางเรื่องเราจะติดอย่างสมมุติถ้าเสียงข้างนอกมันดังสมมติเสียงรถมันนะ่ะอาจจะมีเสียงรถเกิดขึ้นมาเราก็เฉยเราก็เข้าใจมันก็ธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมฮะอะแต่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยมันมันจะรู้สึกอืมที่นี่มันไม่สงบที่นี่มันมีเสียงนั่นเสียงนี่ใช่ไหมมันก็จะปปรุงแต่งต่อ ที่จริงความทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะมีเสียงหรือเปล่าความทุกข์เกิดเพราะเราเราหลงไปชอบไม่ชอบเขาแล้วก็มีปรุมแต่งต่ออันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราต้องต้องระวังอี่ยงตมาณนะตอนอยู่วัดใหม่ๆตอนพรรษาแรกนะอยู่ผู้หลงนนะก็ไกลจากหมู่บ้านนะบางทีก็ชาวบ้านเขาไม่ใช่ชาวบ้านเด็กนักเรียนนะทางวันบ้างนะ ครูก็ใหมาร้องเพลงอย่างวันแม่เลยนะร้องเพลงข้า น, น้ำนมอยูนะเราก็ลำคาญอยู่ตั้งมาไกลแล้วเปิดทําไมเสียงดังอนะไรไว้เราก็บ่นไปในใจนะแบบคือตรงเรียนกับวัดก็อยู่ต้องห่างกันเป็นสามสี่กิโลแต่เขาก็เปิดเ <c oughs> สียงดังอยู่นะเราก็รู้สึกมันมันลาคาญนเพราะอะไรเพราะเราเราหวังความสงบใช่ไหมเราหวังความสงบแต่พอวันหลังๆไป มันก็เราก็ทําใจยอมรับมันได้เขาก็เปิดแบบนี้ทุกทุกกลางวันเราก็ให้เด็กมาลองทุกกลางวันเราก็ไม่ไปเออพอพอใจเราไม่ไปให้ข้ามันมากเสียงมันก็เป็นสักแต่ว่าเสียงเราก็เราก็ปฏิบัติของเราไปมันก็คือบางทีเอาง่ายไม่แต่บางทีกลางคืนอยู่ในมุ้งมียุงบินมาตัวเดียวนี่ก็สําคัญนะ ใช่ไหมิ <c oughs> มนใช่ไหมฮะเสีย ง, ย, งยุงตัวเดียวเนี่ยก็ยังส่งความรางคาให้กับเราได้แต่ถ้าเอม่มันแค่ดูว่ายุงอาจจะจับมันหรืออาจจะปล่อยมันก็จิตเราก็ไม่รําคาเนี้ยมันก็บิดของมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราให้ค่าไหมความสุขเราให้ค่าไหมความทุกข์เราให้ค่าไหมถ้าเราไม่ให้ค่ามันก็ไม่มีราคา แต่การไม่ให้ค่าไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้แต่พิณเดี๋ยวไม่ให้ค่าเนะี่ยอันนี้บางคนบางคนจะเอาแบบทิ้งตั้งแต่ตัตวรู้เลยไม่ไม่ได้นะตัวรู้ต้องรู้ก่อนแล้วค่อยจะวางถ้าไม่รู้เลยเนี่ยก็ยังไม่ใช่บางทีเราก็หลงไปเลยไม่ไม่ได้มีพระรูปหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนยก็มาพูดครีด้วย ท่านก็อ้างก็ฟังครูบาอาจารย์หลายรูปอย่างเช่นหลวงปู่ดูลหลวงพ่อชาครูบาอาจารย์หลายรูปบอกว่าก็ในเมื่อสุดท้ายเนี่ยท่านสอนว่าให้ปฏิบัติเพื่อสอนพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้อะไรนะเนี่ยให้วางตัวรู้ซะท่านก็คิดว่าท่านต้องฝึกวางตัวรู้อท่านคิดว่าท่านท่านรู้ม า, มากแล้วเออที่จริงข้ามขัน้น มันต้องรู้ก่อนจนกรทงจิตมันวางของมันเองแต่อันนี้ไปไปตั้งใจที่จะไม่รู้ตั้งใจอย่าไปในเมื่อคือไปเอาปลายยอดนะครูบาอาจารย์บอกในเมื่อสุดท้ายก็ต้องให้วางผู้รู้วางอะไรอย่างวางการยึดติดในตัวรู้นะมันมันเป็นขั้นขั้นปลายตอนแรกเราต้องรู้ก่อนรู้ก่อนถ้าไม่รู้มันจะวางไม่ได้จะไปวางเลยเนี่ยจิตมันไม่มีเครื่องอยู่ มันจะไหลไปเรื่อยอนั้นต้องรู้แต่ที่จริงรู้แล้วก็วางในตอนนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องวางแบบรออนะนะรู้แล้วก็วางแล้วก็รู้ใหม่นะรู้ว่าสุกเออก็วางรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็วางรู้ว่าง่วงแล้วก็วางไว้นะคือที่จริงไม่แต่ตัวรู้ที่เรารู้แต่ขนาดเนี่ยมันก็รู้ทีละครั้งมันก็วางทีละครั้งของมันอยู่แล้วแหละที่จริงมันก็ถูกของมันอยู่แล้วแหละ นกก็อีกสองวันนะสองวันก็ตั้งใจปฏิบัติคือพรุ่งนี้ถ้ามาถ้ า, ถ, าถ้าใคร อ, อ, อยากปฏิบัติเองไม่ไม่มาร่วมทําวัดหรือว่าหรือว่าตอนฉันตัดอาหารไปนั่งฉันใต้ต้นไม้อะไร แบบนี้ก็ได้ลองดูถ้าใครอยากจะปฏิบัติตอนเนื่องคนเดียว เ, เรื่อยๆก็ไ ม, ไม่ไม่มาทําบัตรก็ได้หรือว่าตอนเวลาชัานจะไม่ต้องตรง น, นี้ก็ได้ก็หาที่สงบของเรานั่งทานเองหรือว่าเดินจงกรมปฏิบัตินอกศาลานี้ก็ได้ครุงนี้หรือว่าวันศุกร์ด้วยก็ได้ศุกร์เลยก็ได้อาจจะมาอีกทีก็ตอนตอนเย็นมนศุกร์ กว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายวันเช้าวันเสราร์ก็ต้องรีบกลับกันนั้นก็แล้วแต่ใครจะมาทําคนปกติก็ได้ใครจะอยู่กับตนเองต่อเนื่องก็ได้กรละกัน